มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรเมนกะปัญหาปฐม ว, วัควชาวัชชะปัญหาที่หนึ่งมิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรถามว่าคำเดรัถีบูชาพระพุทธเจ้าซึ่งนิพพานแล้วท่านไม่ยินดีมีโทษหาผลไม่ได้จริงหรือ อตทะโโมิลินทัสะรัญโยเอตะทะโหสิลำดับนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินทรงพระจินตนาการดัมริชนิว่าพระนาคเษนผู้มีอายุให้โอกาสอาตมาแล้วควรที่อาตมาจะถามเถิดดัมริชนิแล้วสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินผู้เป็นปิ่นกษัตริย์ก็หมอบลงกับบาทยุคคนพระนาคเษนผู้เป็นอาจารย์ กระทำอันชฉลีนมัสการเหนืออุตมางคสิโรดมีพระราชองค์การตรัสว่าได้โปรดเถิดพระเจ้าข้าด้วยคำเดรัจฉีว่าเมื่อสมเด็จพระมหากรุณาเจ้ามีพระชนมายุอยู่นั้นสาธุสัตบุรุษจะบูชานับถือก็ควรบัดนี้พระเจ้าเข้านิพพานล่วงรับไป แล้วจะไหว้จะบูชาสมเด็จพระมหากรุณาเจ้าไม่ยินดีธรรมดาว่ากระทาสการะบูชาแก่พระชินสีอันมิได้ยินดีนี้มีโทษหาผลไม่ได้อยังปัญโโหอันว่าปัญหาที่ถามนี้อุพะโตโกติโกมีเงื่อนเป็นสองเนโสวิสยปัญหานี้ จะได้ต้องด้วยวิสัยแห่งคนมีปัญญาน้อยมีความคิดน้อยหาไม่ได้เป็นวิสัยแห่งคนอันมีปัญญามากมีความคิดมากธรรมดาว่าวิสัยแห่งคนมีปัญญาน้อยคิดไม่ถึงจริงเป็นทิฏฐิไปพระผู้เป็นเจ้าจงวิสัญชาแก้ไขอธิบายทําลายเสียซึ่งทิฏฐิทั้งหลายเถิดปัญหานี้มาถึงแก่พระผู้เป็นเจ้าผู้ประเสริฐ พระผู้เป็นเจ้าผู้ประเสริฐจงให้จักสุปัญญาไว้แก่พระชินบุตรอันจะเกิดมาสุดท้ายภายหลังเพื่อจะทำลายซึ่งคำประรับประวาททั้งหลายในการบัดนี้พระนากเกษนเถระ เ, เจ้าผู้ประเสริฐจึงวิสัชนาว่ามหาราชดุราณะบพิษพระราชสมภารคําคที่ว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าเข้าสู่พระนิพพานล่วงไปแล้วนั้น มิได้ยินดีด้วยเครื่องสักการะบูชานั้นอย่าว่าไปเลยถึงมีพระชนอยู่ก็ไม่เสวยสมนัดยินดีในลาบสักการะที่เทพพยายดามนุษย์บูชาสาธิยาอันว่าความยินดีนี้สมเด็จพระชินทร์สีสัมมาสัมพุทธเจ้าละเสียแต่ควงไม้พระสีมหาโพธิ์เมื่อแรกได้ตรัส ด, ดังลือเล่าสมเด็จพระพุทธเจ้า เข้าสู่นิพพานด้วยนิพพานาธาตุขาดจากเชื้อตันหาจะยินดีด้วยเครื่องสการะบูชาไม่ได้อันหนึง่งพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ดังนี้ว่าอันสมเด็จพระจินสีจะได้ยินดีในเครื่องบูชาหาไม่ได้แต่ทว่าควรที่โลกเทวดามนุษย์จะบูชาเป็นธรรมดาเมื่อโลกบูชาแล้วมีผลมากนักหนา ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามีพระราชองค์การตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้ามาอ้างเอาคําพระธรรมมาเสนาบดีสารีบุตรนี้เหมือนบิดาสรนเสริญซึ่งบุตรเหมือนบุตรสรนเสริญซึ่งบิดาเชื่อฟังยังไม่ได้ก่อนจงวิสัชนาไปใหม่เพื่อจะทําลายเสียซึ่งทิฏฐิทั้งหลายจงตั้งไว้ซึ่งสกาวาที คลายเสียซึ่งทิฏฐิทั้งหลายพระนาคเษนจึงมีเถราวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารซึ่งคำเดรถีว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าเข้านิพพานไปมิได้ยินดีในเครื่องส ก, การะบูชามนุษย์และเทวดาบูชาไม่ได้ผลนี้เชื่อฟังไม่ได้เทวดาและมนุษย์ใดมีใจศรัทธาอุสาหะ กระทำสักการะบูชาซึ่งพระธาตุรัตนของสมเด็จพระพุทธเจ้าอ น, นิพานไปมิได้มีความยินดีก็ดีประการหนึ่งสาธุสัตบุรุษอุบาสกอุบาสิกาอุตสาหะปรนิบัติตามธรรมน้อยและใหญ่ที่โปรดประทานไว้นั้นก็ดีสาธุสัตบุรุษซึ่งกระทำนี้อาจจะได้ไตรพิทธสมบัติทั้งสามประการคือมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมิได้คลาดคลาอุปมายปิโสอัธโธอัตถปัญหานี้จะรู้ด้วยอุปมายาถากิ่งวิยะจะอุปมาเหมือนอะไรเปรียบดังกองเพลิงใหญ่ลุกรุ่งเรืองแล้วดับไปและกองเพลิงใหญ่นั้นยังจะยินดีในเชื้อหญ้าแห้งและไม้แห้งหรือไม่เล่ามหาบ่พิษ สมเด็จพระเจ้าวิลินปินประชาชาวสา克拉นครมีสุนทรวาจาตรัสว่าเพลิงนั้นแม้แต่ยังไม่ดับก็ไม่ได้ยินดีด้วยเชื้อญาเมื่อดับหาเจตนาไม่ได้ก็จะป่วยกล่าวไปใหญ่ว่ามีความยินดีพระน่าเกษนจิงซักไซว่ามหาราชดูรานะบพิษพระราชสมภารถ้าว่าเพลิงนั้นดับไปไม่มีที่ไหน โลกจะมิสูญจากไฟหรือมหาบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายานถึงว่าโลกจะไม่มีไฟไฟจะดับไปจะสูญจากไฟหาไม่ได้พระนาคเสนจิงทรากว่ามหาราช ดูราณะบ่อพิษพระราชาสมภารบ่อพิษพระราชาสมภารมีพระราชาองค์การตรัสว่าไฟไม่สูญจากโลกทั้งปวงเมื่อไฟดับไปสิ้นแล้วมนุษย์จะใครได้ไฟจะไปเอาไฟที่ไหนเล่ามาหาบ่อพิษสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นกษัตริย์ตรัสว่าพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญถึงว่าไฟดับไปแล้วมนุษย์จะใครได้ไฟ ก็ได้ด้วยวัตถุที่ต้นเดิมแห่งไฟนั้นคืออยู่ที่ไม้แห้งมนุษย์นั้นจึงเอาไม้แห้งมาทำเป็นแม่ไฟลูกไฟลองเชื้อฝอยภายในเพียนสีไปก็จะได้ไฟนั้นเป็นชนิ้แหละพระผู้เป็นเจ้าฝ่ายพระหน้าเกษณ์จึงมีเทระวาจาว่ามหาราชะดุราณะบพิษพระราชสมภานเพลิงดับไป และหาเจตนาไม่ได้ไม่ยินดีที่จะไม่เชือ้อครั้นมนุษย์เพี้ยนสีไปก็มีไฟขึ้นได้ถ้าเพลิงดับแล้วกลับติดขึ้นได้ฉะนั้นใสคำเดรัจฉีซึ่งว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าเข้านิพพานไปไม่มีความยินดีบุคคลผู้บูชานั้นหาผลไม่ได้คำนี้หาสมไม่มหาราชะ ดูราณบพิษพระราชสมภารมหาอักคิกขันโธกองเพลิงอันใหญ่รุ่งโรดโชตนาการไปฉันใดก็ดีทัฐานโตสมเด็จพระตถาคตพุทธเจ้านี้ก็รุ่งเรืองด้วยพระพุทธรังสีมีครุวนาดังนั้นประการหนึ่งเล่ากองเพลิงนั้นรุ่งโรดโชตนาการแล้วดับไปยะถามีครุวนาฉันใด ตะถาคโตสมเด็จพระตาถาคตพุทธเจ้ารุ่งเรืองด้วยพระพุทธรังศียังหมื่นโลกธาะทาให้วาดไวแล้วนิพพานไปมีอุปมาเหมือนไฟอันดับไม่ยินดีที่จะไหม้ไม้แห้งเมื่อบุคคลที่จะต้องการไฟนั้นก็สีไฟได้ไฟฉันใดก็ดีสมเด็จพระชินสีนิพพานล่วงละไปไม่มีความยินดี บุคคลทั้งหลายจะถวายเครื่องสการะบูชาแก่พระธาตุรัตนะและจะปรนิบัติด้วยสัมมาปฏิบัติตามญาณารตารมของสมเด็จพระบรมโล ก, กหน้าเจ้าตรัสโปรดประทานไว้นั้นอาจจะได้สมบัติทั้งสามประการเปรียบปานดุดกองเพลิงใหญ่ดับมิได้ไหมเชื้อแล้วและบุคคลสีไฟก็ได้ซึ่งไฟฉะนั้นมหาราช ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารบพิษพระราชสมภารพึงเข้าพระไทยเถิดว่าสมเด็จพระพุทธเจ้านี้นิพพานไปแล้วไม่มีความยินดีบุคคลบูชาด้วยเครื่องส ก, การะบูชามีผลมากหนักหนาจะได้มีโทษเหมือนถ้อยคำเดร ถ, ถีว่านั้นหาไม่ได้อปรัมปิมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร จงทรงพระสวนาการเหตุอันหนึ่งให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ผิแล้วว่าบุคคลจะมีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้านิพผ่านไปแล้วไม่ยินดีนั้นและบุคคลผู้กระทาสการะบูชาหาผลไม่ได้ถ้าจะสงสัยชะนี้อย่างไม่หายจะอุปมาถวายอีกอย่างหนึ่งดุรานะปอพิษพระราชสมภารเปรียบพานดังลมพายุใหญ่พัดแล้วหายไปนั้น และลมที่หายไปนั้นจะกลับพัดมาอีกหรือหาไม่ได้เล่าสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญเมื่อลมพายุใหญ่นั้นพัดมาแล้วหายไปลมพายุนั้นก็หายไปทีเดียวจะได้พัดมาอีกหาไม่ได้ฝ่ายพระนาคเษนจิงซักไซไต่ถามว่ามหาราช ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารลมพายุนั้นพัดมาแล้วหายไปกระนั้นเมื่อลมพายุหายไปโลกไม่มีลมแล้วนี้ก็และบุคคลที่กระวนกระวายร้อนนั้นลมสิสูญไปไม่พัดอีกแล้วถ้ากระนั้นจะมีร้อนนักไปหรือบอพิษพระราชสมภารส่วนพระเจ้ากรุงมิลินจึงมีพระราชค์การตรัสว่า พันเตค่าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญบุคคลทั้งหลายที่ร้อนกระวนกระวายนั้นจึงเอาใบตาและกระดาษมากระทำเป็นพัดโบกลมให้มีลมขึ้นด้วยความเพียรพยายามอย่างร้อนกระวนกระวายให้หายไปกระทำให้เป็นลมเกิดขึ้นได้นะพระผู้เป็นเจ้าฝ่ายพระนาคเษนจึงถวายพระพรว่าดูราณะบอพิษพระราชสมภารเจ้า ลมพายุใหญ่พัดมาแล้วหายไปมนุษย์ยังลมให้เกิดขึ้นได้ชะนี้ถ้ากระนั้นเดรัจฉีที่ว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จเข้านิพพานไปไม่ยินดีนั้นบุคคลกระทาซึ่งสาการะบูชามีโทษคำเดรัจฉีที่ว่าดังนี้ว่าผิดนะบ่ผิดพระราชสมภารมหาติวาโตลมพัดเป็นพายุใหญ่นั้น ย่อมฟุ้งเฟืองแล้วดับไปหายไปฉันใดสมเด็จพระบรมโลกนาณศสาศสดาจารย์เปรียพานดูดลมพายุใหญ่อันพัดมาแล้วดับไปนั้นสมเด็จพระสัพพันธ์อยู่เจ้าก็เหมือนกันยังหมื่นโล ก, กาธาตุให้วันไหวพัดฟุ้งเฟืองไปและพัดฟุ้งเฟืองไปนั้นคือแผ่พระเมตตาพรหมวิหารอันกเกษมสารสุ ข, ขุมเย็นใจ แพรไปทั่วทั้งหมื่นโลกกธาตุแล้วสมเด็จพระบรมโลกนาฏก็นิพพานด้วยนิพพานธาตุหาเชื้อตัญหาที่จะระคนข้างอยู่มิได้ไม่มีความยินดีและมนุษย์เทวดามีศรัทธาจะกระทาสการะบูชาย่อมมีพลานิสงเมื่อกระทากองการกุศลแล้วจะดับเสียซึ่งเพลิงทั้งหลายคือราคขีโทสขี โมหกขีอันร้อนกระวนกระวายนั้นก็ดับได้ง่ายได้ด้วยอำนาจกุศลทั้งหลายที่ตนได้กระทำสการะบูชาแก่สมเด็จพระพุทธเจ้าเข้านิพพานไปไม่ยินดีมีคารุวนาดุดลมพายุพัดมาแล้วหายไปเมื่อลมหายแล้วจะกระทำให้ลมพัดขึ้นอีกได้ด้วยพัดใบาตาลและพัดกระดาษ อาจจะให้ดับระงับกระวนกระวายได้เหตุฉนี้มนุษย์ทั้งหลายถึงแม้นมาว่าสมเด็จพระบรมโลกกานา ศ, ศาสตราาจาร์นิพพานไปแล้วอยู่ภายหลังจะบูชาซึ่งพระธาตุรัตนะของสมเด็จพระพุทธเจ้าและปรนิบัติตามธรรมอันน้อยใหญ่ยังกุศลธรรมให้บังเกิดมีขึ้นแล้วก็อาจจะดับเสียซึ่งเพลิงทั้งหลายคือราคขี โทสักขีโมหักขีอันร้อนกระบวนกระวายให้ระงับดับหายไปจากสันดานได้เสมือนพัดใบาตาลและพัดกระดาษอันคนทั้งหลายพัดดับเสียได้ซึ่งกระบวนกระวายอันรุ่มร้อนนั้นขอถวายพระพร อ, อปรังปิมหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารจงทรงสนาการเหตุอันอื่นอีก ซึ่งจะข่มขี่เสียซึ่งคำประรับประวาดแห่งเดรธีทั้งหลายเอโกปุร e ิโศเปรียบดุดบุรุษผู้หนึ่งตีกลองให้เสียงดังก้องไปเสียงกลองนั้นดังก้องไปด้วยกำลังตีแห่งบุรุษครั้นเสียงกลองนั้นหาดังไม่เพราะบุรุษนั้นไม่ได้ตีและกลองเพรีนั้นจะยินดีที่จะดังอีกหรือหาไม่ได้ขอถวายพระพร ส่วนสมเด็จพระเจ้าวิลินบรมกษัตริย์ว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายานอันว่าเพรีนั้นจะได้มีความยินดีที่จะดังอีกหาไม่ได้พระนาคเสนจึงใต่ถามว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเมื่อเสียงกลองนั้นไม่ดังแล้วจะมิสูญไปหรือพระราชสมภาร พระเจ้ากรุงมิลินปิน่นกษัตริย์จึงตรัสว่าพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญเพรีกับคนตีนั้นเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดเสียงกลองถา้าบุคคลเพียนตีเพรีอีกเกล่าก็อาจจะให้กลองมีเสียงดังไปอีกได้พระนาคเษนจึงถวายพระพรว่าฉันใดก็ดีดูรานะบ่อพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ประเสริฐ สมเด็จพระบรมโลกนาณาศาสดาจารย์เจ้าตั้งไว้ซึ่งพระธาตุรัตนะและพระไตรปิฎกอันจะมริญด้วยศีลสมาธิปัญญาและมักและผลเป็นอันดีดุดกรองเพรีอันใหญ่อันบุคคลเอามาตั้งไว้แล้วและพระพุทธองค์เสด็จเข้านิพพานล่วงลับไปเมื่อสาทุสัตบุรุษผู้ใดมีจิตเลื่อมใสศรัทธา อุตสาหะกระทำสการะบูชาและมาปรณิบัติตามโอวาทานุศาสน้อยใหญ่ที่พระพุทธองค์ตรัสโปรดพระราชทานไว้โดยพระสูตรปรมัตาอัทถวนัยก็อาจสามารถจะให้เกิดซึ่งสมบัติสามประการคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติดุดสัทธะสำเนิ่งเสียงกลองเพรีฉะนั้นอันหนึ่งเล่า บพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในธรณีเมื่อกลองเพรีมีอยู่และมีผู้มาตีลงอีกเสียงกลองนั้นก็ดังกล้องสน่นไปชันใดก็ดีสาธุชนที่มีศรัทธานี้เมื่อพระทาตุรัตนะมีอยู่และพระพุทธว จ, จะนะในพระไตรปิฎกซึ่งสมเด็จพระบรมโลกานายกทรงประดิษฐานไว้ก็มีอยู่เชนนี้มีศรัทธาแล้ว พึงบูชาซึ่งแก้วคือพระบรมาาธาตุของสมเด็จพระบรมโลกกาณาเจ้าและอุตสาหะเล่าเรียนสดับตรัพฟังทำรรปรนนิบัติตามพระพุทธวจนะดังนี้ก็จะได้สมบัติทั้งสามประการอาศัยแก่มีพระธาตุมรัตนะอยู่เป็นปัจจัยและมีพระไตรปิฎกเป็นปัจจัยอาศัยเหตุกรณีจึงได้สมบัติทั้งสามประการเปรียบปานดุดเสียงกลองอันดังก้อง กข อ, อาศัยตัวกลองเป็นปัจจัยเหมือนกันเหตุดังนั้นสาธุชนที่มีศรัทธาจะกระทาสการะบูชาซึ่งสมเด็จพระาศาสดาจารย์อันเข้าพระนิพพานไปแล้วหาโทษมิได้สพัพโลประกอบไปด้วยผลสมด้วยพระดีกาที่สมเด็จพระทศพลตรัสบรรทูนพระสัธรธรรมเทศนาไว้ว่าพิเกเวดุรานะภิกษุทั้งหลาย การนานไปภายภาคหน้าตถาคตจะได้อยู่เป็นครูสั่งสอนท่านทั้งหลายหาไม่ได้เหตุไรจรึงว่าดังนี้เหตุว่าตถาคตจะนิพพานไปก็แหละพระศิธรรมคือพระวินยัยพระสูตรพระประมัติฏที่ตาถาคตตรัสเทศนาไว้นั้นนั่นแหละจะอยู่เป็นครูสั่งสอนท่านทั้งปวงในอนาค ต, ตการและคําที่เดรัจฉีกล่าวว่า สมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าเข้านิพพานไปไม่มีความยินดีและบุคคลอันกระทำสการะบูชานี้มีโทษไม่เป็นผลไม่เป็นประโยชน์นั้นคำที่เดียรถีกล่าวดังนี้เป็นคำอันผิดหาขวรไม่อันหนึ่งเล่ามหาบพิษพระราชสมภารจงทรงพระสวนาการฟังอุปมาอันอื่นให้พิญโยภาวะยิ่งขึ้นไปกว่านี้ เปรียบดุจมหาปัทเพีใหญ่อันย่อมให้จำเริญซึ่งพืชทั้งหลายต่างๆสักพะวีชานี้อันว่าพืชทั้งหลายทั้งปวงงอกขึ้นจำเริญขึ้นเป็นลำดับมีดอกออกผลต่างๆนั้นแผ่นดินจะมีความยินดีหรือหาไม่ได้หรือว่าพืชหากจำเริญเองเป็นประการใดพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นเวียงชัยจึงตรัสว่าพันเตนาคเสนะ ข้าแต่พระนาเคเสนผู้เป็นเจ้าแผ่นดินนั้นจะมีความยินดีหาไม่ได้พืชทั้งปวงหากจำเริญเองนะพระผู้เป็นเจ้าพระนาเคเสนจึงถวายพระพรว่าที่คำเดรัตีว่านั้นว่าพระพุทธเจ้าเข้านิพพานแล้วหาความยินดีไม่ได้จะกระทําสการะบูชานั้นหาผลประโยชน์ไม่ได้ประกอบไปด้วยโทษถ้อยคานี้ เป็นคำผิดมหาราชะดูรานะบอพิดพระราชสมผานผู้ประเสริฐแผ่นพื้นพระสุธาอันใหญ่ให้เจริญพืชต่างๆชั้นใดตถาคโตอันว่าสมเด็จพระศรีสุคตทศภุลยานเจ้าอันเสด็จมาตรัสตามวงแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้าทั้งหลายอารหังผู้ควรแก่เครื่องสาการะบูชาสัมมาสัมพุทโธ ผู้ได้ตรัสแก่พระประมาพิเศกสัมภูทิยานวิชาจารณะสัมปันโนบริบูรณ์ด้วยวิชาสามจารณะแปดสุขะโตมีพระดำเนินเป็นอันงามโลกะวิถูรู้ซึ่งลักษณะแห่งสังขาระโลกทั้งปวงและองค์พระสัพพันยู่เจ้าก็เหมือนปัตตภีดังนั้นอันว่าแผ่นดินมิได้ยินดีซึ่งพืชชันใด สมเด็จพระบรมไตรโลกกนานก็ไม่ยินดีซึ่งบูชาแห่งสัตว์โลกมีอุปมาดังนั้นอันว่าพืชทั้งหลายอาศัยซึ่งแผ่นดินแล้วงอกจำเริญเป็นต้นเป็นใบมีกิ่งก้านจำเริญทรงดอกออกผลอาศัยปัถพีนั้นฉันใดเทวะมนุษษาอันว่าเทวดาและมนุษย์ในโลกนี้ที่มีศรัทธา ทันหะกุสละมูลามีจิตกุศลเป็นรากอันยั่งยืนไปเป็นอันดีสมาธิขันธามีสมาธิเป็นลำต้นธรรมสารามีธรรมเป็นแก่นสารสีละสาขามีสีห้าประการเป็นกิ่งก้านอันแซมไปภายในภายนอกส่งไว้ซึ่งดอกคือพระวิมุตติธรรมอันประเสริฐ ส่งไว้ซึ่งผลอันเลิศคือสามัญญผลทั้งนี้อาศัยสมเด็จพระพุทธเจ้าอันเข้านิพพานไปไม่ยินดีดุดแผ่นดินอันไม่ได้มีความยินดีด้วยพืชทั้งหลายนั้นมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเหตุอันนี้ที่วิสัชนามาอัตมาภาพจริงว่าสาธุสัตว์บุรุษจะกระทาสการะบูชา แกสมเด็จพระมหากรุณาเจ้าเข้าพระนิพพานไปไม่มีความยินดีไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์จะให้ได้ซึ่งไตรพิทธสมบัติสามประการดุจพร น, นามาชนี้มหาราชขอถวายพระผ่อนบพิษพระราชสมภารจงทรงสวนาการเหตุอันอื่นให้ยิ่งกว่านี้นี่แนบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในสริงคาร เปรียบปานดุจตะกูนอนทั้งหลายอันบ่อนอยู่ในอุทธรท้องสัตว์ต่างๆคือช้างมา้าวัวควายแพะอูดลาทั้งหลายนี้สัตว์จําพวกนั้นรักใคร่ยินดีด้วยนอนทั้งหลายหรืออย่างไรเล่ามหาบ่อพิษพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะได้ยินดีด้วยนอนหาไม่ได้พระนาคเษนจิงถวายพระพรว่าบ่อพิษพระราชสมผาน เมื่อสัตว์ทั้งหลายไม่มีความยินดีนอนทั้งหลายนี้มีลูกมีหลานจำเริญมากด้วยเหตุอย่างไรเล่าพอพิษพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมิลินมีพระราชโอการตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายนี้มิได้ยินดีที่จะให้นอนทั้งหลายบังเกิดแต่ทว่าหนอนทั้งหลายบังเกิดขึ้นในท้องสัตว์นั้นเหตุด้วยบาปกรรมอันกล้าพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะ ขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารบุคคลจะกระทาสการะบูชาแก่สมเด็จพระบรมโล ก, การนา ศ, าศาสดาจารเจ้าอันเข้าพระนิพพานไปหาความยินดีมิได้นี้มีผลเหตุว่าพระบารมีและอารมณ์ของสมเด็จพระพุทธเจ้านั้นกล้าเป็นทักขิ่ไนเนื้อนาอันดีบุคคลมาหวานพืชลงคงจะมีผล ดุดหนอนอันเกิดในท้องสัตว์ซึ่งมิได้ยินดีเกิดด้วยกรรมเป็นบาปอันกล้าอัปรังปิมหาราชะประการหนึ่งขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารจงทรงเสวนาการเหตุอันอื่นให้ยิ่งกว่านี้โลกิยะมนุษย์ทั้งหลายนั้นมีฉันนวุติโรคเกิดขึ้นในกายมนุษย์ทั้งหลายนั้นจะมีความยินดีหรือประการใด พระเจ้ากรุงมิลินจึงมีพระราชโ์การตรัสว่ามนุษย์ทั้งหลายนั้นจะได้มีความยินดีหาไม่ได้นะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเกษน์จึงมีเทระวาจาถามไปเล่าว่ามหาราชขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารเมื่อคนทั้งหลายไม่ได้ยินดีก็ฉะไายฉันนวุติโรคเหล่านี้จึงบังเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุประการใด พระเจ้ากรุงมิลินจึงแก้ไขว่าเกิดขึ้นด้วยอากุศลอันบุคคลผู้นั้นกระทำไว้พระน่าเกษจึงอุปมาต่ออุปมาว่ามหาราชขอถวายพระพรบอพิษผู้ประเสริฐท้าว่าฉันนวุติโรคบังเกิดแก่หมู่มนุษย์ซึ่งมิได้มีความยินดีด้วยอากุศลหนหลังฉันใด บุคคลกระทาศัการะบูชาแก่สมเด็จพระบรมโลกกานธาศาสดาจารย์นิพพานไปหาความยินดีมิได้นี้มีผลเพราะกองกุศลเป็นทิฏฐธรรมเวทนีเห็นประจักษ์ในชาตินี้และกุศลที่จะให้ได้เสวยรมชมทิพสมบัติและมนุษสมบัติข้างหน้ากับทั้งนิพพานสมบัติและไตรพิทธสมบัตินี้ เกิดแก่บุคคลก็เพราะกุศลได้กระทำไว้อุปมายดังพนานามาชนี้อันหนึ่งมหาบพิษจะได้ทรงฟังบ้างหรือฉไฉนว่ายังมียักษ์ตนหนึ่งใจร้ายนักหนามีนามปรากฏชื่อว่านนทยักษ์ประทุษร้ายต่อพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรแผ่นดินสูบเอาไปนั้นอามะพันเตพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ตรัสว่า อามะเออข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมได้ยินอยู่คำอันนี้มีปรากฏในโลกคนเขาเล่ากันต่ อ, ตอมาพระนาคเกษจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเป็นอัครสาวกอันเลิศพระผู้เป็นเจ้า ยินดีที่จะให้แผ่นดินสูบเอานนทยักไปหรือประการใดนะบอพิทพระราชสมภารพระเจ้ามิลินจึงมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชาถึงเทวโลกและมนุษย์โลกจะชิบหายไปก็ดีพระจันทร์พระอาทิตย์จะตกลงมาเหนือพื้นพระธรณีก็ดีเขาพระสุเมนจะพินธนาการทำลายไปก็ดี พระสารีบุตรท่านจะให้ทุกแก่โลกหามิได้ตั้งกิสเหตุความนี้เป็นฉันใดเหตุว่าพระสารีบุตรมีน้ำใจไม่ได้กำเริบคิดร้ายให้ทุกโศกแก่บุคคลผู้ใดถึงว่าผู้ใดจะกระทำอันตรายแก่พระธรรมเสนาบรีสารีบุตรจนสิ้นชีวิตพระสารีบุตรจะคิดร้ายหมายขวัญแก่ผู้นั้นหามิได้ พระนาคเกษณผู้ปรีชาจึงมีเถระวาจาถามว่ามหาราชาขอถวายพระพรถ้าว่าพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระเจ้าไม่ยินดีที่จะให้แผ่นดินสูบซึ่งนนทยักษ์และนนทยักษ์แผ่นดินสูบเอาไปเป็นเหตุชไหนเล่าพระเจ้ากรุงมิลินจึงมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตค่าแต่พระผู้เป็นเจ้า แผนดินสูบเอานนทยา์ไปด้วยอากุศลกรรมนนทยา์กระทำไว้แก่กล้าพระน่าเกษจึงมีเทระวาจามหาราชขอถวายพระพรถ้าว่านนทยา์แพ่นดินสูบเอาไปนั้นเป็นด้วยอากุศลกรรมของนนทยา์กระทำไว้แก่กล้าถ้าว่าฉชนนี้แล้วพระสารีบุตรท่านก็ไม่ยินดีที่จะให้แผ่นดินสูบนนทยา ก็คำเดรัถีว่าที่บุคคลกระทำสักการะบูชาแก่สมเด็จพระพุทธเจ้าเข้านิพพานไปไม่ยินดีมีโทษหาประโยชน์ไม่ได้คำเดรัถีว่าดังนี้ก็ผิดคําที่ว่าบุคคลบูชาสมเด็จพระพิชิตมานอันเข้าพระนิพพานไปไม่มีความยินดีมีประโยชน์มีผลหาโทษไม่ได้นี้สมควรกับที่เปรียบมา เหตุดังนี้แหละบุคคลจะกระทาสการะบูชาแก่สมเด็จพระพุทธเจ้าอันเข้านิพพานไปไม่มีความยินดีมีผลมีประโยชน์หาโทษมิได้อันหนึ่งเล่าขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารได้ทรงเสวนาการฟังบ้างหรือไม่ในศาสนาสมเด็จพระพุทธเจ้าของเรานี้ตกนรกทั้งเป็นแผ่นดินสูบเอาไปกี่คนเล่าบอพิษ สมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชาชนจึงมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมได้ฟังอยู่พระน่าเกษจิงถวายพระพรว่ามหาราชดูรานะบพิษพระราชสมภารเจ้าจงเล่าให้อัตมาฟังก่อนสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้า แผ่นดินสูบเอาไปห้าคนคือนางจินจะมานวิกาคนหนึ่งพระยาสุ ป, ปะพุทธสากยะราชองหนึ่งพระเทวทัตคนหนึ่งนนทยักษ์คนหนึ่งอุทะเมยยะกะโจรคนหนึ่งสิริเป็นห้าคนด้วยกันในการนั้นพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาถามว่ามหาราชดูรานะบพิษพระราชสมภาร คนห้าคนเหล่านี้ประทุษร้ายต่อผู้ใดแผ่นดินจึงสูบเอาไปพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าคนทั้งหลายห้าคนนี้ประทุษร้ายต่อสมเด็จพระพุทธเจ้าและพระอัครสาวกของสมเด็จพระพุทธเจ้าพระนาคเษศจึงมีเถระวาจาว่ามหาราช ขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระบรมโลกกาณาศาสดาจารย์ยินดีที่จะให้คนเหล่านี้ธรณีสูบเอาไปหรือบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้าวิรลินปิ่นธรณีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าจะได้ยินดีให้คนทั้งหลายนั้นแผ่นดินสูบเอาไป ไม่ได้พระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิพระราชสมภารถ้าว่าสมเด็จพระบรมโรคกนราชาสอาดาจารย์ไม่ยินดีที่จะให้ใครไปอวิจีให้ธรณีสูบเอาไปผู้ใดประทุษร้ายต่อพระองค์เจ้าแผ่นดินจึงสูบไปเชนนี้แล้วคําเดรถีว่าสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าเข้าพระนิพพานไป หาความยินดีไม่ได้บุคคลบูชามีโทษหาประโยชน์ไม่ได้คำนี้ผิดหาจริงไม่ผู้ใดกระทำสักการะบูชาแก่สมเด็จพระพุทธเจ้าอันเข้านิพพานไปหาความยินดีมิได้นี้มีผลประโยชน์หาโทษมิได้พระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ได้ทรงฟังก็ทรงพระสมนัพปรีดาจึงตรัสสรรเสริญว่า พันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าปัญหานี้คำเพียรภาพลึกล้ำฟั่นเฟือยิ่งนักหนานี่แหละพระผู้เป็นเจ้าแก้ไขให้แจ่มแจ้งเป็นอันดียังคําเดรัตถีอันเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดนั้นให้ลี้ลับอับปปะพาคไปแต่วันนี้ไปเดรัตถีจะไม่ได้ว่าต่อไปได้อีกแล้วพระผู้เป็นเจ้านี้ล้าเลิศประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย โยมจะรับเอาอาภิปรายของพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่งไว้ในการบัดนี้วัชาวัชชะปัญหาที่หนึ่งจบเท่านี้